เพชรพระอุมาบทประพันธ์ของพนมเทียนตอนไพรมหาการห้องสมุดคอนฟิงเพื่อคนตามบอด ของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปฐม78ทับ2ถนนติวานนท์อำเภอปากเกร็ด จ, จังหวัดนนท บ, บุรีเพชรพระอุมาเพชรพระอุมาบทประพันธ์ของพนมเทียนตอนไทยมหาการเคยตีพิมพ์เป็นตอนๆในนิตยสารรวมข่าวจักรวาลรายสัปดาห์ พศ2507ถึง2518พิมพ์รวมเล่มมาแล้วหลายครั้งโดยสำนักพิมพ์หันษาครั้งล่าสุดฉบับพิมพ์พศ2533ณบ้านวรรณกรรมพิมพ์รวมเล่มครั้งแรกเดือนมกราคม2538ณบ้านวรรณกรรมพิมพ์รวมเล่มครั้งที่สอง เดือนมีนาคม2539พิมพ์ที่โรงพิมพ์ D N. H กรุงเทพอ่านโดยศ ส, สวรรณอัฏฐจัญยากุณ